ขอโอกาสหลวงพ่อกรมแล้วก็เพื่อนธรรมทุกท่านจเจริญในธรรมไม่ชีแล้วก็ยติธรรมทุกคนก็เดี๋ยวเราพูดธรรมะนะสู่กันฟังเล็กน้อยไปส่วนประกอบในการปฏิบัติธรรมมันมีมีเรื่องสันนิษฐานนะอยู่เรื่องหนึ่งนะก็เขียนไว้นะในหนังสือ มีความน่าสนใจบอกมีมีกษัตริย์ของประเทศจีนพระองค์หน oh ึ่งนะโดนโดนยึดอำนาจนะโดนญาติพี่น้องกันนะนะยึดอำนาจเขาก็เลยต้องหนีออกมานะหนีจากความเป็นกษัตริย์เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดได้ก็ต้องก็เลยต้องปลอมตัวนะก็เลยปลอมตัวก็ไม่ใช่ปลอมแล้วก็ถือบวชนะก็ได้ถือบวช เป็นพระนะก็เลยถือบวชเป็นพระเพื่อหนีหนีภัยที่จะเกิดจากการตามรานะเพื่อคล้า ย, า ย, ายปิดบังอัมพางภนะูมหลังของตัเองนะพระรูปนี้ที่เป็นอดีตกษัตริย์เขาก็เขาก็ตอ น, น, นแรกก็มีความทุกข์ใจเพราะว่าโดนโดนแย่งราชสมบัตินะโดนแย่งความเป็นเจ้าไปก็คงเป็นคนส่วนใหญ่นะที่พอมีอํานาจมากๆพอต้องมาสูญเสียอํานาจ นะหรือว่าต้องสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีสมบัติพระธารไม่มีอำนาจเหมือนแต่ก่อนก็ต้องมีความทุกข์ใจเป็นธรรมดาแต่เขาก็ได้อาศัยพระธรรมนะหรือว่าทศาสนาเป็นที่พึ่งให้กับชีวิตใหม่ของเขาก็ได้มีความตั้งใจว่านะจะศึกษาธรรมะต่อไปเรื่อยๆนะไม่คิดจะกลับไปแย่งชิงสมบัติ้วนแะก็เลยอาศัยธรรมะเป็นที่พึ่ง เขาก็มีปฏิญาณมีความตั้งใจอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ใช่บอกคือความตั้งใจเขาบอกท่านบอกว่าท่านจะจ ะ, จะเรียกว่าจะลึกนะคำพีนะด้วยเลือดนะก็คือว่าจะเอาเอาเข็มนะนะจิ้มกับจิ้มกับลิ้นของตัวนะให้ออกให้เลือดออกแล้วก็เอาเอาเลือดที่ออกจากลิ้นนี่แหละเอาพู้กันมาแตะแล้วก็เขียนคำพี จะทำแบบนี้ทุกวันนะจนกรทั่งวันที่ตายนะคำพีเล่มที่เขียนนี้ก็มีความยาวมากนะก็ไม่รู้ว่าเลือดจะพอหรือเปล่าก็มีคนสงสัยหลายคนว่าท่านทําไปมันมันดีแล้วหรอนะเลือดในกายของท่านนะ่ะมันจะพอไหมนะเขียนคำพมีมันจะพอหรือเปล่าแล้วก็ความเจ็บความปวดเนนะี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าแต่ท่านก็ทาแบบเนี้ย หลายวันหลายเดือนหลายปีทำเป็นกิจวัตรประจาวันนะเวลามีคนสงสัยถามท่านว่าท่านทำไปแล้วนะมันจะเขียนจบหรือเปล่าบางทีท่านก็นิ่งตอบอนิ่งเฉยเฉยไม่ตอบแต่ถ้าใครที่พอมีปัญญาบางทีท่านก็จะตอบว่าคือเราตั้งใจที่จะเขียนคัมภีร์เราไม่ได้คาดหวังว่าจะเขียนจบหรือไม่จบ เราเพียงแต่ว่ามีความตั้งใจแล้วก็ทำในสิ่งที่เราตั้งใจทำดังนั้นแม้เลือดของเราจะหมดกายแม้ชีวิตของเราจะวอดวายแม้คำพีร์จะเขียนไม่เสร็จแต่เราก็ได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจทำแล้วนะได้ได้ฟังนี้เนาะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะได้จริงในการดาเนินชีวิตหรือในการใช้ชีวิตอะไรต่างๆมันก็ถ้าเราทาได้เช่นนี้มันก็ มันก็สามารถมีความสุขได้เนาะไม่ต้องรอทํ า, าทอะไรถึงสําเร็จแล้วค่อยที่จะภูมิใจหรือมีความสุขแต่ท่านก็เรียกว่ามีความสุขมีความภูมิใจมีความพอใจในขณะที่ได้ทําในสิ่งที่เรียกว่าตั้งใจทําตรงนั้นนเแล้วขณะที่ท่านทํานะก็มีที่เรียกว่าท่าทีสงบเพราะอะไรทาเป็นการฝึกฝนตนเองอยู่เสมอไม่ใช่เป็นการทําร้ายกายให้ลําบากอนะ่หรือว่าทรมานกาย แต่ท่านอาศัยกายที่ยังมีชีวิตอยู่เนะี่ยในการฝึกตนนะอาศัยเลือดที่มีอยู่ในการจารึกาจารึกพระคำพีนะแต่มีตอนหนึ่งนะตอนตอนในท้ายพอชื่อเสียงในเรื่องการใช้เลือดนะจารึกคัมภีร์ของท่านเข้าไปถึงหูราชสํานักนะแต่แต่ราชสํานักก็ไม่รู้หรอกว่าองค์นี้คืออดีตท่องเต้นนะเขาก็เรียกว่าเห็นว่าการคนที่ทําเช่นนี้ได้นะ เป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าอุกมคตมากแล้วก็คมพีเด่มเนี้ยน่าจะศักดิ์สิทธิ์มากอ่าน่าจะ ส, สาะะสนักเขาต้องการเลยรู้ไหมเขาต้องการคำภีเรเลือดเล่มนั้นอ่ะเอาไปเผาบูชาพระพุทธเจ้าพวกเราลองคิดดูถ้าคนคนหนึ่งจะเลือดด้วยความภาคเพียรเป็นหลายสิบปีแต่สุดท้ายสิ่งที่เขากระทําเนี่ยมีคนเห็นคุณค่าเพียงแค่ว่าเอาไปเผาเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า พวกเราจะรู้สึกยังไงออุตส่าห์บากบันทำสิ่งอันนี้มาแบบด้วยความยากลําบากด้วยความมุมานะแต่สุดท้ายมันก็เหลือเพียงแค่เท่าฐานนะบูชาพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่จริงในขณะที่ท่านทําในการจะเรื่องนะั้นเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะแต่เสียดายที่คัมภีร์นั้นไม่ได้สืบทอดต่อสูบ่บรรพชนรุ่นดังเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนคิดว่าการบูชาคือการ ทำพิธีคําสักอย่างนะมีการจัดพิธียิ่งใหญ่นะมีการอัญเชิญคำภีร์เลือดเพื่อมาเผานะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้านะแต่ท่านก็เรียกว่ายินดีนะยินดีแม้เขาจะเห็นเป็นแบบนั้นเนการบูชาแต่ด้วยอํานาจของทางการก็ไม่สามารถขัดข้องได้ก็ท่านก็ยินดีที่จะเรียกว่าให้เผาคมภีร์เลือดที่ท่านจ่าฤกตรงนั้นนะเป็นเรียกว่าเป็นการบูชาโดย โดยเรียกว่าเป็นถา ก, กาลภัยนอกนะมันก็เป็นเลยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าเราทําใจไม่ได้ถ้าท่านทําใจไม่ได้ท่านก็คงทุกข์หนักแน่นอนเอออุตสาหบากบัน่นทํามาแบบนี้หลายสิบปีแต่สุดท้ายก็ไปเผาทิ้งไม่เหลืออะไรเลยที่จริงเรื่องเนี้ยที่จริงมันมีเรื่องอีกคล้ายๆกันนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทํามาถึงปัจจุบันด้วยนะอย่างในประเทศทิเบตนะ ประเทศทิเบตเองเขาจะมีประเพณีทิเบตนี้เขาจะนับถือพุทธแบบวัชรยานเขาจะมีประเพณีอย่างหนึง่งเรียกว่าอาจะเรียกว่าวาดก็ไม่ได้นะแต่เรียกว่าเอาทรายมาเอาทรายมาย้อมเป็นสีต่างๆแล้วก็เอามาโรยนะพื้นใหญ่ๆเลยนะเอามาโรยเป็นรูปพระพุทธเจ้าบ้างเป็นรูปเกี่ยวกับพุทธประวัติบ้างเป็นรูปเรื่องราวเกี่ยวกับในพุทธศาสนาแหละนะ แต่เขาไม่ได้เอากาวมาติดนะอยู่กับพื้นปกติธรรมดาเนี่ยแหละนะเอามาโรยเอาทรายสีสันต่างๆเอามาโรยเป็นรูปคนเป็นรูปสัตว์เป็นรูปต้นไม้เป็นรูปอะไรต่างๆสาพัดมากมายก็ทําแบบเนี้ยใช้เวลาทําถ้ารูปเล็กๆหน่อยก็หลายวันนะถ้ารูปกลางๆก็หลายสัปดาห์ถ้ารูปใหญ่ๆก็เป็นหลายเดือนเขาก็ทําแบบเนี้ยแต่ทําไปเพื่ออะไรเพื่อสอนคนให้เห็นว่า พอทําไปแล้วก็มีแต่ความไม่เที่ยงพอทรายมันต้องลมพอทําเสร็จแล้วโดนลมพัดก็หายไปจากรูปที่สวยงามก็กลายเป็นอากาศสาศัตวนะ่เพื่อให้สอนคนว่าอย่าไปยึดติดในสิ่งที่ตนเองกําลังทําแม้สิ่งที่ทําจะสูงส่งขนาดไหนสวยงามปานใดแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีความไม่เที่ยงเป็นกฎ ที่เราต้องระลึกถึงนะอย่าไปเสียใจแม้รูปที่เราทําเต็มที่แล้วสวยงามเต็มที่แล้วสําเร็จแล้วมันจะหายไปก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเตือนใจเราได้ดีมากๆเลยอ้อมันก็เป็นแบบสิ่งที่เรียกว่าได้ได้ฉุกคิดเนาะอันนี้เราเรามาย้อนดูเรื่องการปฏิบัติธรรมของเราสิเนาะมันเป็นคล้ายๆกันไหมนะเราสามารถมีความพอใจมีความสุขใจในขณะที่เรา ภาวนาอยู่ได้หรือเปล่านะโดยไม่ต้องไปคาดหวังว่าการภาวนาของเราจะสําเร็จขั้นนั้นขั้นนี้บรรลุธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมเราเพียงแต่ว่ามีความพอใจมีความสุขใจในขณะที่เราได้ทำํำนะในขณะที่เราได้ปฏิบัติในขณะที่เราได้เจริญภาวนาแล้วนะกระผมหรือว่าธรรมาคิดว่าถ้าเรามีความพอใจมีความสุขใจขณะที่เราได้ทําเนะี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามีค่าละนะ เป็นสิ่งที่เรียกว่าได้เดินตามรอยของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนะเลยไม่ต้องไปรอว่าจะสําเร็จจะบรรลุจะดับทุกข์ได้สิ้นเชิงหรือเปล่านะเพราะว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราคาดคาดเดาไม่ได้เราไม่สามารถรู้หรอกว่าอายุของเราจะเหลือกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราไม่สามารถรู้หรอกว่าเมื่อไห ร, ร่กิเลสจะหมดเมื่อไหรปัญญาจะสมบูรณ์แต่เราไม่รู้แต่ถ้าเรามีความพอใจในสิ่งที่เราได้ทําแล้ว ตั้งใจทำในแต่ละวันมีความรู้สึกตัวในแต่ละครั้งในการยกมือก็ดีในการเดินจงกรมก็ดีในการทำกิจวัตรต่างๆก็ดีก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันถูกต้องแล้วก็มีความพอใจแค่นั้นแต่จะบรรลุหรือเปล่าให้วางไว้เลยนะให้วางไว้เลยโดยเฉพาะพวกเราในช่วงนี้อาจจะมีหลายคนที่เรียกว่าเข้ากรรมฐานเข้มนะบางทีพอเราเข้าเข้มหรือว่าบางทีพอเรา ทำอะไรต่อเนื่องบางทีความคาดหวังมันจะสูงนะเพราะว่าเราทุ่มแรงกายทุ่มแรงใจเต็มที่นะอยากจะเอาอะไรให้ได้นะภายในตอนเนี้ยให้ได้นะมีขีดจํากัดของเราภายในสี่สิบวันบ้างภายในยี่สิบวันบ้างภายใน7วัน7เดือน7ปีบ้างนะเราตั้งเป้าไว้แล้วก็บางทีขีดพวกนี้ก็จะเป็นขีดที่เรียกว่ามันเร่งนะมันเร่งให้เรา ไม่ท้อไม่ถอยทำให้เราทำความเพียรแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการเรียกว่ารัดเราด้วยนะมันรัดเรามันบีบเรามันเรียกาบังคับเราให้เราเครียดนะให้เราเรียกว่าให้เราคาดหวังผลเหมือนกันนะี่จริงการเร่งไม่ได้ผิดนะแต่การที่เร่งจนทั่งกลายเป็นเร่งรัดบีบคั้นจนกระทั่งให้เกิดความเครียดใจนั่นแหละมันคือการวางใจไว้ผิดแล้วนะ แต่ถ้าเรามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรมันจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าทำความเพียรนะโดยใจที่กลางกลาโดยใจที่ว่างๆโดยใจที่สบายๆนะถ้าเรารู้แบบนี้ไปมันก็จะเกิดเรียกว่าสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขนะแล้วขนาดที่เราอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขความไม่ทุกข์มันก็เกิดขึ้นในขณะนั้นไม่ต้องไปรอว่าจะต้องรอได้มรรคผลนิพพาน แต่ขนาดนั้นที่เรารู้สึกตัวเราสังเกตความคิดมันก็ไม่เกิดนะความไม่ปรุงแต่งภายในจิตมันก็เกิดขึ้นแล้วก็คือว่ามีการไม่ปรุงแต่งเกิดขึ้นหรือมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นเรามีสติรู้เท่าทันความปรุงแต่งนั้นก็หายไปดับไปสิ้นไปนะแม้จะมีความปรุงแต่งขึ้นมาใหม่แมนะ้จะมีความหลงขึ้นมาใหม่ก็ไม่เป็นไรเมื่อใจเราเป็นกลางเมื่อใจเราว่างเมื่อใจเราสบาย มันก็จะรู้ตามรู้ได้เรื่อยๆนะเห็นอาการของกายที่เคลื่อนไหวอาจจะไม่อาจจะไม่ตลอดเวลาหรืออาจจะไม่ถึงครึ่งได้ซ้าไปแต่มันก็จะรู้ได้มากกว่าการที่เราไปเพ่งไปจ้องนะหรือว่าเราไปตั้งใจมากเกินไปนะหรือบางทีอาจจะมีความคิดความหลงเกิดขึ้นวันหนึ่งรอยครั้งพันหนนแต่อย่างน้อยถ้าจิตเราสบายๆ บ, บ, บ้างๆนะแล้วก็ ไม่ไหลออกไปข้างนอกนะหรือไม่เพ่งไว้ข้างในนะจิตมันก็จะค่อยๆรูนะ้ความคิดรู้กิเลสที่มันเกิดขึ้นะรู้แล้วมันก็จะดับโดยจิตที่เราเป็นกลางโดยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยแหละมันจะรู้แล้วมันจะตัดมันจะรู้แล้วมันจะวางแต่ถ้าจิตเราไม่เป็นกลางจิตเราไม่ตั้งมั่นมันจะรู้แล้วมันจะมีความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบเอาไม่เอาผลักหรือว่าจะยึดไว้ ใจไม่เป็นกลางเมื่อใจไม่เป็นกลางมันก็เรียกว่ามันเสียศูนย์มันเสียสมดุลนะมันก็เรียกว่ามีการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งฝ่ายบวกบ้างมีการปรุงแต่งฝ่ายลบบ้างมันก็ไปยึดไว้แบบนั้นแหละนะนี่ถ้าเรามีความเป็นกลางกับทุกสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันตั้งอยู่นะเห็นมันดับไปนะมันยังไม่เกิดก็ไม่ต้องไปคอยหามันนะมันเกิดขึ้นแล้วก็แค่รู้มันนะ มันไม่ดับก็ไม่เห็นเป็นไรมันไม่ดับก็ดูมันแบบน้าดะนะดูมันไปมันคิดอยู่เหรอนะเรารู้แล้วมันไม่หายอก็ไม่เป็นไรมันโกรธเกิดขึ้นอยู่เอ้ามันไม่หายอก็ไม่เห็นเป็นไรมันง่วงนะเกิดขึ้นอยู่เดินแล้วยกมือแล้วล้างหน้าแล้วทาไงก็ไม่หายถ้าใจเราบอกว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันสบายนะแต่ถ้าะใจมีแต่บอกว่าทาไมทาไมนะ ทำอย่างไรนะแล้วก็ตั้งใจจะเอาออกให้ได้มันจะเครียดมันจะทุกขนะ์ที่จริงความม่วงมันก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่นะแต่ใจที่ไม่ชอบความง่วงแหละมันทุกข์ความคิดฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ทุกข์เท่าไหร่นะแต่ใจที่ไม่ชอบความคิดฟุ้งซ่านน่ะแหละคือความทุกขนะ์นี้แหละคือหลักสําคัญคือการวางใจให้เป็นกลางมีจิตใจตั้งมั่นในการรู้ในการเห็นในการดู อารมณ์ด้วยใจเป็นกลางเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญพอใจเราเป็นกลางพอใจเราตั้งมัน่นมันจะเห็นอารมณ์มันมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะอารมณ์นะสุขบ้างทุกบ้างเฉยบ้างนะดีใจบ้างเสียใจบ้างกลางกลางบ้างความคิดก็เกิดขึ้นบ้างไม่เกิดขึ้นบ้างมันก็เห็นแต่สิ่งที่ผ่านมาผ่านไปนะคล้ายๆเหมือนกับพัดลมที่มันสายมาสายไปอะ่ะมันไม่หยุดอยู่กับที่นะนะ แต่ถ้าเมื่อไรเราอยากให้ใหมันหยุดอยู่กับที่เมื่อนั้นนะ่ยมันก็เรียกว่ามีการไปจัดการมีการไปตั้งใจทำอะไรแล้วนะเราเพียงแค่ดูเหมือนกับเรานั่งอยู่นะั่แล้วก็รู้สึกถึงพัดรมมันผ่านมาผ่านไปนะแล้วก็ดูอารมณ์ดูความคิดอะไรเหมือนกันมันผ่านมาผ่านไปจะสุขก็ตามจะทุกข์ก็ตามจะเฉยก็ตามก็เห็นมันผ่านมาผ่านไปนะ่ใจให้เป็นอิสระจากงนะใจที่เป็นอิสระ หือว่าใจที่รู้สึกตัวมันจะเป็นอิสระตรงนี้นะมันเป็นอิสระทั้งการที่ไม่เรียกว่าไปยึดในรูปนะไม่ไปยึดในรูปนี้ว่าเป็นของเรานะแล้วก็ไม่ยึดว่านามมาทำก็คืออาการของจิตใจต่างๆว่าเป็นของเราด้วยเพทั้งนั้นมันเพียงแค่เห็นมันเพียงแค่รู้นะเห็นว่ากายตอนเนี้มันเคลื่อนไหวแบบไหนมันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นหรือเปล่ามันก็เห็นมันนะเห็นว่าใจตอนเนี้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นในใจนะ มีความคิดหรือเปล่ามีอารมณ์หรือเปล่าหรือไม่มีแล้วก็เพียงแค่รู้มันรู้มันแล้วก็ดับไปนะทิ้งไปนะแล้วตรงนี้เราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันถ้าใจเราเป็นกลางนะเหมือนกับคล้ายๆบางทีเราทําไปมีความรู้สึกตัวมีความเบาสบายหรือบางทีมันก็มีสมาธิขึ้นมากเนาะบางทีก็มีนะอาการมีปิติบ้างมีความสุขบ้างมีความเบามีความสบายบ้าง เราก็ยึดไว้ไม่ได้นะถ้ายึดไว้มันก็จะเรียกว่ามันลำบากสภาวะที่ยึดความเบาความสบายความบ้างเนี่ยมันคืออาการที่เรียกว่ามันประคองนะมันตั้งใจที่จะให้มันรักษาไว้เสมอมันก็ลำบากนะถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับคล้ายๆเรื่องที่เล่าเมื่อกี้คล้ายๆเหมือนกับพอเร า, าเขาเรียกว่าอะไรโรยทรายนะให้เป็นรูปต่างๆแล้วนะมันอยู่กลางแดด มันมีลมผ่านมาถ้าเราพยายามที่จะรักษาให้มันทรงรูปร่างไว้อย่างเดียวตลอดเนี่ยมันเป็นความลำบากมีการฝืนธรรมชาติทังนั้นการที่เราฝืนธรรมชาติของจิตใจก็เช่นเดียวกันอย่ากให้จิตใจมันเฉยๆไม่คิดหรือว่าอยาให้จิตใจมีความสุขอยู่เสมออย่ากให้จิตใจมันมีความสบายอยู่เสมอก็เป็นการฝืนธรรมชาติเหมือนกั น, นฝืนโดยการที่ไม่ให้เกิดอารมณ์เกิดขึ้น ก็คล้ายๆกับเราฝืนฝืนอากาศที่ไม่ให้มันเกิดลมอันนี้ก็เหมือนกันเราพยายามฝืนใจของเราให้ให้ไม่มีอารมณ์นะโดยการข่มความคิดข่มอารมณ์ไว้หรือว่าบางทีก็เรียกว่าเป็นการปรุงอารมณ์ขึ้นมาประคองอารมณ์เฉยๆไว้นะหรือประคองอารมณ์เรียกว่าเบาๆไว้นะนะ อ, อาการตรงนี้นะมันมันไม่ได้เกิด ปัญญาในการเรียนรู้สภาวะใตรักของรูปของนามนะเพราะว่าเราพยายามที่จะประคองไว้เสมอถ้าเมื่อไหร่ที่มันประคองไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามันเสียใจมันไม่ดีตอนไหนที่ประคองได้ก็รู้สึกว่าเออมันใช่มันดีแล้วนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นการเรียกว่าไปจัดการกับสภาวะไม่ใช่เป็นการเรียนรู้กับสภาวะตามความเป็นจริงอันนั้นในการฝึกสติปัฏฐานคือการที่เรียกว่าเรียนรู้สภาวะตามความเป็นจริงนะ มันจะเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นมันหายไปแล้วก็รู้ว่ามันหายไปแล้วนะไม่เสียดายไม่อะไรอาบอนนะเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นของมันเองเนี่ยคือการภาวนาที่แท้จริงดังนั้นการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมก็อยากจะฝากไว้ว่าให้วางความอยากต่างๆลงไปนะนะไม่ต้องไปอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาหรือว่าอยากผักใสอะไรทั้งนั้นเพราะว่าความอยากคืออะไรความอยากคือตัณหา ตัณหาคืออะไรตัณหาคือเหตุของความทุกข์นะักปฏิบัติธรรมที่พ่ายกันเยอะๆก็คือเนะี่ยอยากนะมีความอยากมากมายนะอยากหรือว่าบางทีก็ไม่อยากนะก็มันก็เป็นความอยากแบบหนึ่งเหมือนกันแหละนะอันนั้นสิ่งที่เราพึงจะทําอย่างแท้จริงเราต้องทําหน้าที่ให้ถูกในอริยสัจสี่นะต้องรู้ทุกคือรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ไปบังคับรูปบังคับนาม อ ย, อย่างที่ใจต้องการนะรู้ทุก็คือรู้รูป ร, รู้นามตามความเป็นจริงไม่บังคับไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไปปรุงแต่งรูปปรุงแต่งนามอย่างที่ใจต้องการอันนี้คือเรารู้เฉยๆรู้ซื่อๆรู้ได้ใจเป็นกลางนี่คือการรู้ทุกนะแล้วก็ละสมุทยัยสมุทัยคือความอยากความไม่อยากอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องละก็คือละการปรุงแต่งความอยากที่จริงก็คือ ละการเติมเชื้อฟืนเชื้อไฟเข้าไปสมุทัยถ้าเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับกองไฟนะกองไฟเหมือนกับความอยากสิ่งที่เราจะได้คืออะไรเราไม่เติมฟืนเข้าไปนะมันก็ปล่อยให้มันความอยากมันเกิดขึ้นแล้วก็มันดับไปของมันเมื่อเราไม่เติมฟืนเข้าไปมันก็มอดไหมได้เข้ากับความอยากในตอนแรกเท่านั้นแหละเมื่อความเมื่อฟืนเมื่อไฟมันไม่เติมเข้าไปแล้วมันก็ดับของมันเองเพราะฉะนั้นความอยากไม่ได้ทําอะไรนะเพียงแต่ว่า ไม่ไปปรุงแต่งต่อก็แค่นั้นมันจะคิดขึ้นมาก็เฉยๆกับมันแต่มันก็เลิกคิดกับมันเองเพราะว่าอะไรเราไม่ไปปรุงแต่งต่อเราไม่ไปชอบหรือไม่ชอบกับมันนะเราก็แค่รู้เฉยๆเมื่อเราไม่ไปให้ค่านะหรือภาษาอย่างเนี่ยก็เรียกว่าไม่ไปให้ค่าก็ได้นะความคิดเกิดขึ้นไม่ต้องว่าไปทำทำไมมาถึงคิดนะทำไมถึงคิดอะไรนะไม่ต้องไปทําไมทําไมนะไม่ต้องไปหาเหตุหาผลให้กับมันนะหลวงพ่อคำแก่นจะบอกว่า ไม่ต้องเอาถูกเอาผิดไม่ต้องเอาเหตุเอาผลนะกับความคิดกับเอาลงต่างๆแค่รู้เฉยๆว่ามันเกิดขึ้นนะนั้นไม่ต้องเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลนะไม่ต้องไปทําไมกับมันนะแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็วางมันไปโดยการวางใจอ๋อแค่รู้ว่ามันเกิดก็พอนะีก็คือการไม่ไปเติมฟืนเติมเชื้อเข้าไปสู่จิตใจให้มันเกิดความอยากปรุงแต่งต่อไปนะัคือเราละนะละตัณหา นิโรธก็คือสภาวะที่เรียกว่าความไม่ทุกข์เมื่อไหรที่เราสัมผัสกับสภาวะที่เรียกว่ารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งละตันหาที่เกิดขึ้นสภาวะที่ไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นเหมือนกับตอนมึกตอนต้นที่พูดว่าพอเรารู้สึกตัวสบายสบายรู้สึกตัวได้ใจเป็นกลางเมื่อนั้นความคิดปรุงแต่งก็ดับลงไปนะสภาวะที่ไม่ทุกข์วิสังขารก็เกิดขึ้นมาอันนั้นก็คือสภาวะที่เรียกว่านิโรธนะ เป็นนิโรธนน้อยเป็นนิพพานในน้อยก็ว่าได้นะแต่เป็นนิพพานที่สัมผัสได้ในตอนนี้นะไม่ต้องไปรอนะตอนเป็นภาฏหาันไม่ต้องไปรอตอนอหมดทุกข์เลยสิ้นเชิงก็ได้เพราะว่าที่จริงเป็นการสะสมนะเป็นการนิพพานที่เรียกว่านิพพานในปัจจุบันขณะคือความเย็นใจมีความสุขใจโดยการวางอารมณ์ต่างๆวางความคิดต่างๆนั่นแหละคือสภาวะที่เรียกว่าการไม่ปรุงแต่ง นี่คือสิ่งที่เราต้องเจริญก็คืออริยมรรคนะอริยมรรคมีองค์แปทั้งหลายแต่ถ้าว่าโดียวยอดสรุปก็คือการทําความรู้สึกตัวเนี่ยแหละก็คือการเจริญองค์มรรคแล้วนะเมื่อไรที่เรามีความรู้สึกตัวนะเมื่อนั้นมันก็เรียกว่ากายวาจารวมถึงใจมันก็บริสุทธิ์นะมันเป็นความเป็นปกติเกิดขึ้นนะศิ้นเกิดขึ้นที่ไหนกายก็มีศิ้นวาจาก็มีศิลนใจก็มีศิ้นนะ สมาธิก็เกิดขึ้นนะมีใจตั้งมั่นมีใจเป็นกลางมีใจเรียกว่าควรแก่การงานควรแก่การทำกรรมฐานนะมีปัญญาในการเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเนี้ยคือปัญญารอบรู้แล้วแล้วก็สุดท้ายก็เกิดความวิมุตติด้วยก็คือความหลุดพน้นเมื่อมีปัญญาเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงและมันก็ยอมรับรูปยอมรับนามนั้นตามความเป็นจริงก็เกิดการปล่อยวางเกิด ค, ความหลุดพน้นอันนี้คือ กิจที่เราทํากับเรียกว่าอริยสัตว์สดังนั้นการภาวนานะไม่ต้องไปเรียกว่าไปปรุงความอยากเข้าไปใไหม้มากๆเพียงแต่ละความอยากลงไปนะแล้วก็ให้มีความเรียกว่ามีความพอใจในในการทําเหตุนะในการจะเดินสติเนี่ยแหละคือการทําเหตุนะเดี๋ยวผลก็คือความปล่อยวางความไม่ทุกข์นะหรือว่า เรีว่าความรู้ต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นจากการที่เราทําเหตุได้ดีนี่แหละ น, นี่คือสิ่งที่ที่อยากจะฝากพวกเราเปนวัยน้อเพราะว่าอยากให้พวกเราได้มีความเรียกว่ามีความสุขในการได้ปฏิบัติธรรมนะอย่าไปปฏิบัติธรรมด้วยความจริงจังเคร่งเครียดเกินไปนะเราก็เพียงแต่ว่าเราทําเหตุให้มันดีๆนะทำใจสบายๆ ย, ยิ้มบ้างนะยิ้มบ้างนะยิ้มให้กับความม่วงบ้างยิ้มให้กับ ความฟุ้งซ่านบ้างนะอย่าไปเอาจริงเอาจังมันมากเกินไปนะแต่ก็ไม่ใช่ไปยอนขาอนาดแบบนะไปพูดคุยสนุกสนานกันหรือว่าตามความคิดนะเป็นครึ่งวันเป็นชั่วโมงก็ไม่ใช่นะหรือว่าจมกับอารมณ์ต่างๆนะก็ไม่ใช่เหมือนกันนะนะทางสายกลางก็คือทางที่เรียกว่าไม่สุดโตงทั้งสองทางก็คือไม่สุดโตงในการที่ว่าเพ่งจ้องบังคับกดข่มนะ แล้วก็ไม่สุดโตงในทางที่เรียกว่าใจลอยปล่อยตัวปล่อยใจนะเผลอไปก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่จริงทางสายกลางในการปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะเป็นกลางได้ตลอดหรอกนะแต่ความเป็นกลางจะเกิดเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนที่รู้ทันว่ามันสุดโตงนั่นแหละมันจะเป็นกลางของมันเองนะเมื่อเรารู้ทันว่ามันเผลอไปเมื่อนั้นใจเป็นกลางแล้วเมื่อเรารู้ทันว่ามันเพ่งไปเมื่อนั้นใจเป็นกลางแล้วนะ ความเป็นกลางมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อว่ารู้ว่านะมันเผลอไปมันก็เกิดภาวะที่เรียกว่าเป็นกลางของมันละนะก็คือรู้อารมณ์นะอีกอย่างหนึง่งความเป็นกลางก็เกิดขึ้นได้จากการที่เรียกว่ารู้กายอย่างเป็นผู้ดูจริงๆนะไม่ใช่ไปเพ่งไปจ้องไปเรียกว่าไปเอาเป็ดเอาใจเป็นแนบอยู่กับกายก็ไม่ใช่นะมีใจนะที่มีสติคอยดูกายที่เคลื่อนไหวแยกรูปออกมาจากนามนะ ก็คือแยกสตินะแยกสติเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้ดูรูปมันเคลื่อนไหวดูรูปมันเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าพอความคิดอารมณ์เกิดขึ้นก็มีสติในการถอนนะถอนออกมาจากความคิดเช่นเดียวกันนะมาเป็นนามธรรมที่เรียกว่านามที่เป็นนามที่รู้ถอนออกจากนามที่เป็นนามที่หลงนะนี่คือการที่เรามีใจตั้งมั่นเป็นอิสระออกมาดูนะใจที่เป็นอิสระนั่นะคือใจที่มีสติ ดูรูปดูนามมันทํางานของมันไปนะโดยใจเป็นการโดยใจตั้งมั่นนะั่นแหละคือการภาวนาอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ที่เหลือวิสัยไม่ใช่สิ่งที่ที่ยากเกินไปเนาะก็ขอเพื่อเราเพียงแค่ว่าวางใจสบายๆนะวางใจกลางๆไม่เพ่งไม่จ้องนะไม่ได้อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอะไรนะเพียงแค่มีความสุขในการทําเหตุในการภาวนาเนะี่ยทําเหตุไปเรื่อยผลจะเกิดขึ้นแบบไหนก็ยอมรับผลที่มันเกิดขึ้นนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมีแต่การเปลี่ยนแปลงมีแต่สิ่งที่บังคับไม่ได้เป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันแล้วก็เราก็ดูมันมานะนะบางทีมันใจไม่เป็นกลางก็อาจจะสอนมันสอนมันสักหน่อยนิดๆหน่อยๆก็พอแต่อย่าไปแบบจําจี้จำใจเนาะเหมือนกับคล้ายๆมันเราสอนลูกสอนหลานสอนเด็กวันนั้นก็สอนมันไปนิดๆหน่อยๆนะแต่อย่าไปแบบคล้ายๆบ่นในใจเนาะ เด็กมันก็ไม่ชอบการโบนจิตของเราก็เหมือนกันนะอย่าไปโบนกับมันทําไมถึงคิดทําไมถึงเครียดทําไมถึงง่วงอนะันนอย่าไปโบนกับมันนะเพียงแค่อ้อเตือนตัวเองคิดมาอ๋อหลงไปคิดแล้วนะอ่านะงไปเพ่งไปจ้องแล้วนะก็แค่เตือนเองออกมาแบบนั้นก็ได้นะหรือถ้าสติมันรู้เฉยๆไม่มีคําพูดก็ยิ่งดีไปใหญ่นะแค่รู้สภาวะเฉยๆก็พอหรือบางทีไม่รู้ได้ทราบว่ามันคิดอะไร มันเป็นอาการแบบไหนก็ยิ่งดีอ้าวไม่เป็นไรแค่รู้ว่าใจมันไหวอ้าก็ดีละไม่ต้องไปรู้ได้ทําอันนี้เรียกว่าโรคปวดหลงไม่ต้องเอาบัญญัติมาเรียกว่ามาครอบก็ได้นะแค่รู้ไหวๆนะยุกยิกยุกยิกภาในจิตอ้าก็พอละนะหรือกายบางทีก็ไม่ต้องไปหารายละเอียดกับมันนะบางทีละบางคนก็พอไปดูกายก็ไปเอารายละเอียดกับมันเยน็นรอนอ่อนแข็งชัดไม่ชัดนั่นะ ทีการที่เราไปหารายละเอียดกับมันเป็นการเรียกว่าเป็นการถอดดูนะเป็นการดูแบบเอารายละเอียดก็ผิดอีกเหมือนกันนะอันนั้นชัดไม่ชัดนะละเอียดไม่ละเอียดนะไม่ต้องไปเอารายละเอียดกับมันนะแค่รู้ชัดก็รู้ว่ามันชัดไม่ชัดก็รู้ว่ามันไม่ชัดนะเบาก็รู้ว่ามันเบาไม่เบาก็รู้ว่ามันไม่เบาไม่เห็นเป็นไรเลยนะก็รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะอันนี้ ถ้าใจเราเป็นกลางเนี่ยเราจะเออเห็นอะไรก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นเนี่ยตอนนี้แหละคือสภาว่าที่ว่าดูเฉยๆดูซื่อๆดูซื่อๆ น, นะฮะคือสิ่งที่ที่ต้องฝึกหัดกันเยอๆนะๆเนาะก็ก็ฝากไว้นะให้เป็นเป็นข้อคิดหรือว่าเป็นเครื่องเตือนจิตของเราในการภาวนานะแต่สุดท้ายแล้วก็ทุกขณนะในการเกิดอารมณ์ต่างๆเราก็ต้อง เตือนตัวเองดูตัวเองนะแล้วก็สอนตัวเองเนาะมันถึงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัจจิตตังจริงๆนะนะปัจจิตังในการปัจจุบันขณะด้วยนะต้องเป็นสิ่งที่เตือนตนสอนต น, ทอ น, ท, อนทอนออกมาในปัจจุบันตรงนั้นด้วยมันถึงจะเป็นเรียกว่าสภาวะธรรมอย่างแท้จริงนะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่การพูดให้ฟังเฉนะยๆแต่สุดท้ายพวกเราก็ต้องเอาไปทํากันต่อลกันอ่นะ